สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมานายทักรคนชอบเล่าก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนแรกคลิปนี้ว่าจะเอาเรื่องป่าครับแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถเรียบเรียงได้ทันครับหากแถ่ายทอดออกไปอาจจะมีการงงทั้งตัวผมและก็ตัวผู้ฟังอันไม่เป็นการดีแน่มิกล้าครับมิกล้าแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ยื่นขอการอนุมัติจาก YouTube แล้วด้วยและเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ตอบรับมันอยู่ในช่วงของการเ อ, อ๋อไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อย ก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างก็น่าจะเป็นไ ป, นปนในแนวทางที่ดีครับ3าสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนหลายคนถามผมว่าไม่ได้ต่างจาก YouTube และจะทําไปทําไมไม่เห็นว่าจะมีรายได้อะไรเลยผมก็บอกกลับไปว่าก็ยังมีเรื่องราวที่ท่านสมาชิกส่งมาให้ถ่ายทอดอยู่แล้วก็ยังมีท่านสมาชิกอีกหลายท่านที่อยากฟังเรื่องราวของกันและกันอยู่รวมถึงผมก็ยังรักในสิ่งที่ผมทำเพื่อนก็บอกว่าเงั้นเอาที่เองสบายใจในวงเล็บภาษาพ่อขุณรามแล้วก็แนะนําว่าให้ขอโดเนส ซึ่งช่วงแรกผมก็ลองทำดูครับคนที่ตามมาปรากฏว่าพอขอโดเนเอทก็โดนด่าโธเอ้ยไอหน้าเงินกูนึกว่ามึงทำมาทุกอย่างอ่ะทำมาด้วยใจที่แท้มึงมันก็ไอคนเห็นแค่เงินเท่านั้นแหละทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกผมก็เลิกขอไปแล้วแล้วก็เรื่องการขออนุมัติจากยนะูทูปเน่ยอย่าหวังเลยเพราะว่าไอพวกที่ทำอย่างมึงอ่ะง่ายๆใครๆเขาก็ทํากัน YouTube ก็ไม่ปล่อยให้มาหาเงินได้ง่ายๆอย่างนี้หรอกครับนั่นก็เป็นนานาจิตตังซึ่งผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรนักหรอก ผมมองที่กําลังใจส่วนใหญ่ที่มอบมาให้ครับและประเด็นจริงๆก็คือทนกันอนุมัติจาก YouTube เท่านั้นแหละที่จะสามารถชี้เป็นชี้ตายได้ว่าช่องนี้จะยังคงอยู่และถ่ายทอดเรื่องราวได้ต่อไปหรือไม่หลังจากยื่นเรื่องก็คงจะทราบผลภายในเร็ววันนี้แหละครับแต่ช่วงที่มีการขอโดเนทที่ผ่านมาซึ่งก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้กรุณาแบ่งปันน้ําใจมาให้และที่ต้องโดน YouTube ลงโทษผมก็เข้าใจครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับ ที่กล่าวมาไม่ใช่ว่าจะดราม่านะครับเพียงแค่ขอเล่าความรู้สึกให้ฟังนิดหนึ่งครับหาใช่การบ่นไม่เอาล่ะครับเปลี่ยนโหมดมาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกดีกว่าครับโดยเรื่องนี้ส่งมาจากพี่อ้วนดีจังกูจะว่าเป็นคลิปแก้ตัวก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อคราวก่อนออกเสียงแม่อุ้ยว่าแม่อุ้ยด้วยว่าไปยึดติดกับตัวอ่านและพี่อ้วนดีจังกูก็กลายเป็นพี่อ้วนจังกูเช่นเดิมครับพี่อ้วนดีจังกูเป็นผู้หญิงผมก็จะขอใช้สับพนามแทนตัวว่าเรานะครับ ล้เรื่องราวของพี่อ้วนดีจังกูก็มีอยู่ว่าแม่อุ้ยเล่าว่าสมัยก่อนแม่อุ้ยอยู่ที่เมืองพร้าซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งณเวลานั้นครอบครัวของแม่อุ้ยมีการโยกย้ายถิ่นฐานย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอเชียงดาวแม่อุ้ยเล่าว่าการเดินทางสมัยก่อนต้องเดินทางด้วยเท้าเดินไปกับขบวนกวนก็พากันหนุพยพกันมา 5-6 ครอบครัว โดยมีเกวียนอยู่3มเล่มสําหรับต่างข้าวต่างของเครื่องใช้ข้าวสารและสเสบียงต่างๆแม่อุ๋ยเล่าว่าการเดินทางด้วยเท้าลําบากมากใช้เวลานานการเดินทางอพยพย้ยายถิ่นฐานคราวนั้นต้องใช้เวลาเดินทางถึง3วันสองคืนซึ่งตัวเราปัจจุบันก็เคยขับรถจากเชียงดาวไปเพร้าก็ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะขับแบบชิวๆไม่เร็วมากก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นเส้นทางข้ามเขาจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งและถนนที่ใช้เดินทางในสมัยนั้นก็เป็นแค่ทางเกวียน ลองย้อนคิดถึงการเดินเท้าในสมัยนั้นก็คงลำบากพอสมควรแม่อุ๋ยบอกว่าการเดินทางไม่ได้เร่งรีบและก็ไม่ได้ช้าเกินควรเมื่อถึงเวลาคเนว่าจะเหนื่อยกันก็สั่งให้หยุดพักหายเหนี่ยก็พากันออกเดินทางกันต่อจนเมื่อขบวนเกวียนได้เดินทางมาถึงสะพานข้ามน้ําสมัยก่อนนั้นจะเรียกว่าขัวแตะต้องขออาภัยด้วยหากออกเสียงผิดลักษณะก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่พื้นสะพานจะเป็นไม้ไผ่เสีกสานขัดแตะความกว้างก็พอประมาณสําหรับคนจะข้ามได้ และส่วนขบวนของลออเกวียนเนื่องจากน้ำไม่ลึกนักก็ใช้วัวลากเกวียนข้ามน้ำกันไปลำทารที่ต้องข้ามกันไปก็ไม่กว้างมากนักเราลองนึกภาพตามที่แม่อุ๋ยเล่าให้ฟังก็น่าจะกว้างประมาณ4ีถึงหเมตรแม่อุ๋ยเล่าว่าเวลาที่เดินทางมาถึงสะพานข้ามน้ำนั้นก็ใกล้จะมืดแล้วโผล่เผลอโผล่เผลทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาในขบวนก็ลงความเห็นกันว่าควรจะข้ามสะพานกันไปก่อนแล้วค่อยหยุดพักจากนั้นก็หุงหาอาหารแล้วก็ค้างคืนกัน และเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นก็พากันข้ามสะพานทันทีผู้ผู้ชายที่ขับเกวียนก็พากเกวียนลงน้ําเพื่อข้ามไปอีกฝั่งส่วนผู้ผู้หญิงที่เดินเท้าหาบสัมภาระต่างๆก็จะพากันเดินข้ามสะพานฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีก็พากันทยอยทยอยข้ามกันไปและขณะที่ผู้ผู้หญิงกําลังพากันเดินข้ามสะพานอยู่นั้นก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นละะนักษณะคล้ายกับสัตถถว์เท้ากรีบเท้าหนักห น, นักกาลังวิ่งตามหลังมาแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ทำให้พผู้หญิงที่กําลังหาบของข้ามสะพานอยู่นั้นพากันเอี้ยวหลังเพื่อที่จานไปมองแต่ด้วยค้อที่หาบกันมาก็มีน้ําหนักอยู่พอควรทําให้เกิดการเสียหลักเสียการทรงตัวแรงเวียงที่เกิดจากการหันตัวกันแบบรวดเร็วทําให้พากันตกสะพานร่วงลงไปในน้ํากันแต่เนื้อแจกลําธารที่พากันข้ามนั้นก็ไม่ได้ลึกมากไม่อุ้ยว่าประมาณหน้าขาพอพากันลุกขึ้นได้ก็รีบสงเงอมองว่าตัวแรมันวิ่งผ่านไปนะแต่ว่านอกจากความมืดที่ปกคลุมลงมาอยู่รอบกายก็ไม่มีใครเห็นอะไร ได้ยินเพียงแต่เสียง ก, กุบ ก, กับกุบกับไกลออกไปแล้วก็ไกลออกไปจนที่สุดก็หายไปทุกคนรีบพากันขึ้นมาจากน้ําและเมื่อขบวนเกวียนเดินทางขึ้นจากน้ําได้กันหมดแล้วจากนั้นก็พากันหุงหาอาหารแล้วก็ใช้จุดนั้นเป็นจุดพักแรมมีเสียงพูดจากันในหมู่คณะเกวียนว่าคงจะเป็นผีม้าบงดีนะที่มันไม่กระโดดขำหัวผู้หญิงที่กําลังขำสะพานได้เพราะทํำไมกระโดดขำหัวเราได้เพว่เราก็จะตาย แม่อุ้ยได้ยินอย่างนั้นคืนนั้นผู้ผู้ชายที่ขับเกวียนก็พากันผลัดเว้นอยู่ยามดูแลขบวนที่เดินทางตลอดกันทั้งคืนทุกคนที่อยู่ในขบวนเกวียนพากันตกสันขวัญหายแล้วก็นับว่าโชคดีที่ไอ้ผีหมาบ้องนั่นมันไม่วิ่งกลับมาอีกและนี่ก็คือสิ่งที่อุ้ยเล่าให้ฟังแต่ก็มีกับเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็คิดว่ามันคงเป็นผีหมาบ้องเหมือนกันลองฟังกันดูนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่นานมากประมาณ15ปีได้าปะ เอ๊หรือว่าจนานจะช่างเถอะตอนนั้นเราถูกบริษัทที่ทํางานอยู่ส่งให้ไปดูแลงานที่จังหวัดน่านซึ่งตัวเราก็เป็นคนที่รู้อยู่รู้กินเราก็เช่าบ้านอยู่ตามเงประมาณที่บริษัทออกเงินให้แล้วก็อยู่คนเดียวซึ่งในสายงานของเราก็จะต้องเจอกับผู้รับเหมาเข้ามาดูงานด้วยตลอดและผู้รับเหมาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายก็มักจะมีพวกมาขายขนมจีบบ้างนั่นก็ทําให้เราเห็นได้ว่าตัวเราไม่ใช่คนเคเร่เลยอ่ะเข้าเรื่องกันต่อ บ้านที่เราเช่าอยู่ตั้งอยู่ติดกับถนนหลวงเลยบรรยากาศถือว่าดีใช้ได้ซึ่งเราก็อาศัยอยู่ไปในตอนแรกๆที่เราเข้าอยู่ก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งในคืนหนึ่งเหตุก็เกิดขึ้นคืนนั้นเราเข้านอนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หลับนะยังคงเล่นโทรศัพท์อยู่เราก็นอนเล่นไปเรื่อยๆบรรยากาศรอบบ้านและในบ้านเงียบมากอากาศก็เย็นสบายแต่แล้วก๊อกก๊อกกอกเราได้ยินเสียงคนเคาะประตูบ้าน ใครนะมาเคาะประตูยามนี้เราคิดเรารียปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็เงียบพยายามเงียบหูฟังใจเต้นระทึกกลัวกลัวว่าคนข้างนอกมันจะได้ยินแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมาดีหรือว่ามาร้ายเราเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวด้วยไม่ดีแน่ถ้าไปเปิดประตูเราพยายามนอนนิ่งเงียบที่สุดคิดว่าอะไรก็ตามที่มาเคาะประตูไม่ได้ยินเสียงตอบก็คงจะไปเองแหละแต่แล้วไม่ทันตั้งตัวก็มีเสีย ง, งดังขึ้นว่าเปิดหน่อยสิมาหา อยากจะคุยด้วยเราไม่ตอบเราเงียบดีนะที่เราเป็นคนล็อกกุญแจข้างในบ้านเป็นแม่กุญแจที่คล้องสายยูนะ่ะเป็นนิสัยที่ติดตัวเราล็อกทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่ามันหรือว่าอะไรข้างนอกก็ตามไม่สามารถเข้ามาหาเราได้แน่นอนเรานิ่งเงียบเอาโทรศัพท์สอดไว้ใต้หมอนแต่บอกตามตรงว่าในสถานการณ์นั้นถึงแม้ว่าจะล็อกแล้วทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเราก็ยังกลัวอยู่ดีเราจึงนิ่งให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ก๊ก ก็ก็ขออีกแล้วกอกกอกกอกกอกขอที่ขึ้นขอไม่หยุดมันจะขอทําไมเนี่ยเราไม่เปิดมันก็น่าจะไปนี่เราคิดสับสนไปหมดว่ามันคืออะไรไม่ตอบแล้วยังจะขออยู่ได้แล้วเราก็คิดออกว่าจะทํายังไงโทรศัพท์เราก็มีนี่เราว่าจะโทรหาหนึแจ้งเหตุให้มาตรวจดูแต่เราจะขยับตัวก็ไม่ค่อยกลา้ากลัวไวที่อยู่ข้างนอกมันจะได้ยินเราก็ค่อยๆสอดมือหยิบโทรศัพท์แล้วเราก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งไม่เปิดใช่ไหม งั้นกูจะเอาเลยนะเฮ้ยมันจะเอาอะไรขอเส้นสิ่งที่มันพูดเราก็ได้ยินเสียงเป็นสิงสัตว์เทาเ้ากรีบหนักหนักเหมือนวัวเหมือนควายกำลังวิ่งเวนรอบบ้านที่เราอยู่เรารีบเบดตัวเองลุกขนั่งแล้วก็กระดึบตัวเองไปติดอยู่กับตู้เสื้อผ้าฟังจากน้ําหนักเท้ามันตัวมันน่าจะใหญ่มาก กลัวว่ามันจะเข้ามาได้กลั ว, วมันจะเห็นเรากลั ว, วมันจะเจอเราเราทําอะไรไม่ถูกเลยได้แต่นั่งสั่นติดตู้อย่างเดียวฟังเสียง ก, กุบกับกุบกับวิ่งรอบบ้านของมันเป็นสิ่งที่หลอนดังชนขุนหัวลุกเราได้แต่นั่งตัวแข็งเงียบแล้วฟังไม่แม้ขยับตัวไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นมันวิ่งวนอยู่ประมาณสามรอบได้และสิ่งของมันก็ค่อยๆเงียบไปมันเข้ามาไม่ได้เรารู้สึกโล่งแต่ก็ไม่ไว้วางใจยังคงนั่งระแวงเงียบหูฟังหรือว่ามันไปหรือยัง และด้วยความกลัวกับความเพลียทําให้เราเผลอหลับไปเมื่อไหรไม่รู้พอตอนเช้าต่อวันขึ้นเราก็รีบเปิดประตูออกมาดู ร, บรอบๆบ้านทันทีเห็นว่ามีร่องรอยนึงเกิดขึ้นเห็นรอยหญ้าถูกเหยียบย่าไปเป็นทางเหมือนกับว่ามีร้อยสัตว์วิ่งเหยียบ ม, มันแล้วก็มีรอยคราบน้ําอะไรก็ไม่รู้เหลืออยู่ตรงประตูบ้านบริเวณธรณีประตูเรารีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดินทางไปที่วัดพอไปถึงเราก็ปรึกษาเล่าเรื่องนี้ให้พระท่านฟังพระท่านก็บอกว่า บ้านที่โยมเช่าอยู่มันอยู่ติดถนนซึ่งมันก็คงจะมีสัมบัตเวสีผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วพอเราได้ฟังเราก็รีบทำบุญกรวดน้ำไปให้เลยและด้วยความรอบครอบของเราเราก็ไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านหลังนั้นอีกเลยเราตัดสินใจไปเช่าโรงแรมนอนอยู่ในเมืองแล้วก็หาหอพักใหม่ที่มีอยู่ในย่านที่มีคนอยู่เยอะๆเราได้คุยเรื่องนี้ให้แม่บ้านที่มารับจ้างทาความสะอาดออฟฟิศฟังเขาก็บอกมาว่าโปรรับเหมาที่มาเดียวนด้วยนะคะ อาจจะมีคนใดคนนึงอาจจะเป็นผีม้าบ้องหรือเปล่าเราได้ฟังแล้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าเป็นใครแล้วเราก็อยู่ดูแลงานตามที่บริษัทมอบหมายให้จนเสร็จก็เป็นเวลา5เดือนเราก็ย้ายกลับเ a d o อฟ i c e ที่กรุงเทพอันนี่ก็เป็นประสบการณ์ของอุ้ยกับเราที่คิดว่าน่าจะเป็นผีม้าบ้องแถมมีข้เรื่องหนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ของเราตอนเด็กๆตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นประถมไม่ปอสองก็ปสานี่แหละในสมัยก่อนนั้น แม่อุ้ยจะมีไร่สวนที่แถวแถวเชิงเขาโดยหลูเชิงเดาแม่อุ๋ยก็จะปลูกมะม่วงแก้วกับผักจะอมเป็นหลักและในวันเสาร์อาทิตย์หยุดเรียนเราก็จะไปสวนกับแม่อุ้ยตลอดด้วยเพราะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงแม่อุ้ยคงไม่อยากให้อยู่บ้านคนเดียวระยะทางจากบ้านถึงสวนก็ประมาณ3กิโลเมตรได้การเดินทางคือเดินเท้านะเราไม่มีรถมีแต่จั ก, กรยานแก่ๆคันหนึ่งซึ่งมันก็ไม่สามารถขี่ขึ้นไปที่สวนได้ทางจะไปสวนก็เป็นทางขึ้นเขาก็ค่อนข้างจะชันแต่สําหรับเราชิน ไปกับแม่อุ้ยทุกวันหยุดเรื่องก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ได้ไปสวนกับแม่อุ้ยเสาว์ทิตย์เหมือนเดิมเราก็เดินนําหน้าแม่อุ๋ยไปก่อนเลยเพราะด้วยความที่เราเป็นเด็กก็จะมีความคล่องตัวกว่าคนแก่เราเดินได้เร็วกว่าแม่อุ้ยแม่อุ๋ยก็เดินหับคอนตกราใส่พวกอาหารกลางวันและก็น้ําดื่มมาด้วยในระหว่างทางที่เราเดินนําแม่อุ๋ยอยู่นั้นก่อนที่จะถึงสวนประมาณ200เมตรได้เราก็ได้เห็นสัตว์ตัวหนึง่งกำลังเดินนําหน้าเราระยะห่างจากตัวเราประมาณ10เมตร เราก็เดินตามหลังมันแล้วก็มองมันด้วยความสงสัยว่าตัวอะไรวะมันเดินช้าๆหนวยนาดเหมือนแมวแต่ตัวมันก็ใหญ่กว่าแมวสักส3งสาเท่าได้เล็กกว่าหมานิดเดียวเรามองเห็นมันจากข้างหลังสีขนของมันออกแดงๆสีเหมือนบอ ด, ดินเผาเราจ้องมองแล้วก็คิดในใจว่านั่นมันหมาหรือแมวเดินเหมือนแมวแต่ตัวใหญ่และหมาก็ไม่ได้เดินอย่างนี้ด้วยดูตัวเพรียๆและเดินช้าสรุปมันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ย ด้วยความสงสัยก็เลยหันหลังกลับแต่โกนถามแม่อุ้ยว่าอีแม่อีแม่ไหนมาตัวอ้อยังแล้วเราก็รีบหันกลับไปมองมันปรากฏว่ามันกระโดดเพ่เข้าพงหญ้าข้างทางหายไปเลยสงสัยจะได้ยินเสียงนั่นคือเสือไฟแม่อุ๋ยบอกมาพอเราพากันเดินมาถึงสวนเราก็ถามแม่อุ๋ยอีกแม่อุ๋ยก็บอกว่าถึงบ้านแล้วจะเล่าให้ฟังแล้วพอตอนค่ําเราก็เดินทางกลับบ้านกัน หลังจากที่อาบน้ำกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ทวงสัญญากับแม่อุ้ยทันทีให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเสือไฟมันเป็นยังไงแม่อุ้ยก็เล่าให้เราฟังว่าเสือไฟเป็นเจ้าแห่งเสือถือได้ว่าเป็นเสือที่มีตาบะแก่กล้ามากเพราะว่าแม้แต่เสือโครงก็ยังไม่กล้าทำอะไรเสือไฟถ้าเสือไฟออกหาเกณฑ์สัตว์ตัวไหนที่เจอกับเสือไฟจะไม่ต่อสู้และจะยอมเป็นอาหารให้เสือไฟแต่โดยดีแม่อุ้ยยังบอกอีกว่าถ้าป่าไหนมีเสือไฟป่านั้นจะไม่มีเสือโครง เพราะว่าเสือโครงจะไม่สู้กับเสือไฟและป่านนั้นก็จะเป็นป่าแพะคือพื้นที่ป่าที่เป็นป่าค่อนข้างแลง้งไม่ค่อยมีน้ําและก็มักจะมีไฟไหม้ในช่วงฤดูแลง้งแต่พอมาถึงฤดูฝนป่าก็าจะกลับมาเขียวขจีดังเดิมเมื่ออุ้ยบอกว่าเขี้ยวเสือไฟหรือหนังเสือไฟเป็นของมีค่าและมีอนุภาพป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายได้ซึ่งตัวเราเองก็เคยมีหนังเสือไฟนะแผ่นเล็กๆเท่าหัวแม่มือ น, นี่แหละพรานแถวแถวบ้านที่เขาเข้าป่าไปล่าสัตว์เขาตัดแบ่งมาให้ แต่ตอนนี้หายไปไหนเราก็ไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กและไม่รู้จักรักษามันก็หายไปเราเองก็ได้แต่รู้สึกเสียดายและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเสือไฟที่เราเคยได้เห็นและได้ฟังในวัยเด็กครับผมแล้วเรื่องราวของคลิปนี้ก็จบลงนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดนะครับโดยเรื่องราวของคลิปนี้เป็นเรื่องราวจากพี่อ้วนดีจังกูผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ไปแค่ชายป่านะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปเข้าป่ากัน